นี่ก็เป็นช่วงการปฏิบัติพร้อมทั้งการฟังธรรมไปก็เวลาช่วงที่เราทำสมาธิ ก็จริงอยู่ว่าเราก็ยังอาศัยอยู่กับร่างกายมันก็เหมือนผลไม้อาศัยกับต้นไม้อยู่พอสุกเต็มที่ผลไม้ก็จะหลุดจากคั่วไม่ได้ติดอยู่กับลำต้นหรือว่าต้นไม้ จิตก็เหมือนกันที่เรานั่งภาวนานพอถึงที่สุดแห่งธรรมะที่เรียกว่าบรร ล, ลุมรผลก็เสมือนเดียวกับผลไม้ที่หลุดออกจากลำต้นจากขั้วก็ไม่ติดอยู่กับต้นอยวกับ ต้นไม้สภาวะจิตที่เรากำลังภาวนาปฏิบัติอยู่มันก็เหมือนผลไม้ก็รอวันสุขจนสุขเต็มที่และที่สุดก็จะ หลุดออกจากครัวต้นไม้ทั้งหมดทำไมองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคจึงให้เราท่านทั้งหลายกำหนดชีวิตเป็นรูปกับนามพูดให้ง่ายก็คือ กายกับจิตยอมดูที่พวกเรานั่งภาวนาปฏิบัติฟังอยู่ก็มีร่างกายกับจิตใจและลมหายใจที่มีก็คือชีวิตที่อยู่ พอกำหนดดูก็มาสักครู่เดินมาก็เห็นพระท่านก็นั่งก็ธรรมดาความเจ็บปวดเหน็บชาเวทนาความร้อนก็เกิดขึ้นอยู่ในรูปแห่งกายา ก็ต้องมีการเปลี่ยนในอิริยาบถมีการขยับขยายไยเทเคลื่อนไหวอันนี้เป็นปกติของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ แต่สิ่งที่สำคัญถ้าเรากำหนดได้กายที่เคลื่อนไหวจิตต้องไม่หวันไหวถ้าเข้าใจในยธรรมอย่างนี้เราจะเข้าใจอะไรอีกเยอะกายไหวจิตไม่ไหว กายเคลื่อนไหวจิตไม่หวั่นไหวจึงรู้ว่านั่นคือสมาธิเพราะสมาธิไม่ใช่ร่างกายสมาธิไม่ใช่ร่างกายหรืออากัปกิริยาแต่สมาธิคือจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่น เป็นหนึ่งเดียวจนเกิดเรียกว่าเอกคัตตารม์จิตเป็นหนึ่งนี่คือสมาธิพอจิตได้สมาธิเรากำหนดดูว่าเออกายกับจิตเราฝึกไปฝึกมาเราฝึกกายยา่า เพื่อให้เกิดจิตตาทำวิปัสสนาแห่งจิตตาเพื่อให้ก่อเกิดแห่งปัญญาทำให้ก่อเกิดแห่งปัญญาเพื่อสู่วิมุตตความหลุดออกจุดนี้สำคัญความหมายสุดท้ายก็คือ การเข้าสู่วิมุตติโยมว่าวิมุตติคืออะไรแล้วก็เติมว่าวิมุตติสุขสุขแห่งวิมุตติคืออะไร <c oughs> จริงๆวิมุตติก็แปลกันตรงๆก็คือความหลุดหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไร เครื่องคล่องในวังวนแหง่งวัตฏะน้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่วังวนแห่งวัตฏะท่านไม่คล่องคําว่าไม่คล่องไม่ใช่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้แตะไม่ได้ต้อง ยังมีเป็นแตะต้องอยู่แต่ว่าคำว่าไม่คล่องก็คือจิตไม่ติดอยู่กับสิ่งนั้นไม่ติดอยู่เมื่อเราไม่ติดอยู่ในสิ่งที่มือต้องจับหรือชีวิตสัมผัสอยู่กับสิ่งใด ในว่าอวัยวะน้อยใหญ่วัตถุน้อยใหญ่สัพสิ่งน้อยใหญ่ท่านไม่ติดอยู่เหมือนมีกายอาศัยกายไม่ได้ยึดติดอยู่ในกายถ้ากำหนดอย่างนี้ได้วิปัสสนาญาณ น, นี้เกิดคำว่ารู้จริง รู้แจ้งแล้วว่าเออมีแขนก็ใช้ประโยชน์มีขาก็รู้จักประโยชน์ของขาโยมต้องเข้าใจคำว่าประโยชน์แล้วโยมจะเป็นผู้มีโชคแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ ดูเหมือนเป็นคนโชคร้ายหรือไม่มีโชคแต่ถ้าเข้าใจยมใช้ประโยชน์ในสปปรรพสิ่งที่มีอยู่คนนั้นคือคนโชคดีมีรถ ร, รู้ประโยชน์ก็ใช้จะไปไหนก็ให้เขาพาไปนั่งไปขับไปไม่ต้องเดินให้เหนื่อย สบายนั่นคือประโยชน์เมื่อรถเสียก็เอาไปซ่อมเมื่อซ่อมไม่ได้มันแก่เกินแกงมันเก่าเกินซ่อมโยมก็ต้องปล่อยวางขายได้ก็ขาย ขายไม่ได้ยมก็ขายเป็นเศษเหล็กเก็บไว้ให้มันคับแคบสถานที่เพื่ออะไรแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นคุณค่าของจิตใจชีวิตว่าเคยลำบากลำบนมาด้วยกันเหมือนคู่ทุกข์คู่ยากเพื่อเป็นที่ระลึกและไม่ทุกข์กับมันก็เก็บได้ ไม่ผิดแต่ที่คัดแคบ ป, ประโยชน์ก็ไม่มีพอขายได้พอเทินได้ก็เอามาซื้อคันใหม่อีกถ้ายอมเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปยึดติดกับมันรู้ประโยชน์แล้วก็ใช้จนถึงที่สุดก็ต้องว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดโต๊ะเก้าอี้เตียงต่างทุกอย่างถึงเวลาหนึ่งก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้พอถึงอีกเวลาหนึ่งเกิดก็เสียไปพังไปผุไปเล็กไปอย่างเงี้ยโยมก็ต้องเอาข้อออก ขายก็สุดแล้วแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับสิ่งนั้นเพียงแต่ใช้ประโยชน์แล้วนั่นแหละสิ่งที่โยมเป็นผู้โชคดีฉะนั้นโยมต้องรู้จักประโยชน์ทุกอย่างที่โยมจะต้องมีและต้องใช้ให้มันเป็น สิ่งใดมีแล้วไม่ได้ใช้ไม่ก่อเกิดประโยชน์แตมาดูแล้วก็งั้นๆแหละเน้นคำว่าประโยชน์มากกว่ายมลองละระลึกดูอาวมีร่างกายตอนนี้ยมใช้เขามีแขนมีขามีหูมีตายมก็ใช้ประโยชน์ตาเอาไว้มองหูไว้ฟัง ใช้เขาใช้ให้เกิดประโยชน์พอวันหนึ่งเขาแก่เขาุดโสมลงเขาเสื่อมลงไปโดยอัตภาพของร่างกายกำลังเรียวแรงก็ค่อยๆหมดลดลงหมด เมื่อร่างกายนี้หมดกำลังทัดทานอะไรก็ไม่ได้ภูมิป้องกันโรคก็ไม่มีแล้วกำลังวังชาก็หายหดหมดแล้วเราไม่ต้องเสียใจของที่ใช้ทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เองสุดท้ายแม่ร่างกาย สิ่งที่เราใช้มาทั้งชีวิตที่สุดก็เป็นอย่างนี้ทีนี้โยมจะต้องแยกระหว่างกายกับจิตประโยชน์เราได้ใช้ร่างกายนี้แล้วจิตใจโยมจะต้องไม่ยึดติดกับร่างกายแต่ยังอาศัยอยู่อาศัยเขาอยู่ เขเจ็บตรงไหนก็รู้ปวดตรงไหนก็รู้ร้อนเหน็บชาตรงไหนก็รู้ตะคิวกินตรงไหนก็รู้ถึงเวลาต้องรักษาโยมก็รักษาหายุกยามมาทานมากินมาทาหาหมอหาพยาบาลมาดูแลรักษาเยายวยาจนกว่าร่างกายนี้บอกไม่ไหวแล้ว เมื่อไม่ไหวจิตของโยมเองก็ต้องวางไม่เศร้าโศกเสียใจไม่พิไรรำพันกับสิ่งที่ต้องจากเพราะเราจากทุกอย่างถ้าจะเสียใจมีเรื่องเสียใจมากมายในชีวิตที่เกิดมา แต่เราก็ไม่ควรเสียใจเพราะเราเป็นผู้ที่อบรมในเรื่องของจิตตาการภาวนาตั้งแต่เริ่มจากฝึกขันสมาธิจิตตั้งมั่นใจไม่หวั่นไหวจนสามารถทำฌานได้มีปิติสุขเอกคัตตาจิตปล่อยวางมีความสงบวางเฉยจนถึงอุเบกขาไม่ยินดี ในทุกและก็ไม่ยินดีในสุขอดีตก็สามารถวางได้ปัจจุบันอะไรเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรจิตก็วางเฉยก่อนเพราะยมอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราต้องเข้าใจการกำหนด ในเรื่องของวิปัสสนาคือเห็นโดยลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดท้ายทนอยู่ในสถานะในสภาพสิ่งนั้นตลอดไม่ได้ก็มีการแปลสลายหรือว่าแปลเปลี่ยนไปแปรรวนไป ถ้าเรามีทรรมอย่างนี้จิตของเราต้องวางเฉยเป็นอุเบกขารรมเพอจิตวางเฉยได้ยกจิตพิจารณาขึ้นสู่ไตรลักษณ์กำหนดลงในสามลักษณะตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรม ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมดาหลังฝนตกหรือฝนโปรปยเมื่อกระทบแสงก็เกิดสายรุ้งขึ้นมาและไม่นานสายรุ้งก็อันตรธานหายไปอีก โยมจะเรียกร้องสายรุง้งก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเขาจะมาด้วยเหตุที่จะมาเขาก็ปรากฏตามธรรมชาติเมื่อเขาจะไปเขาก็ไปตามธรรมชาติที่เขาควรจะไปโยมจะยึดใจยือ้อจะถืออยู่ไปใหญ่ ทำให้ใจต้องเสียแสดงว่าวิปัสสนายัางไม่เจริญก้าวหน้าอัตตาบังอยู่เรายังหลงความเป็นตัวตนอยู่ยังปรารถนาให้สิ่งนั้นเที่ยงสัรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดแล้วก็ดับ ดอกไม้แต่ละปีพลิดอกส่งกลิ่นหอมแล้วก็หลุดร่วงไปในที่สุดเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะเกิดโลกก็เป็นอย่างนี้มาแล้วแม้เราเกิดแล้วโลกก็เป็นเช่นนี้ แม้เราจากโลกนี้ไปโลกก็เป็นเช่นนี้อีกเมื่อยมเข้าใจวิปัสนาญาณแห่งจิตที่เรียกว่าจิตตาวิปัสนาพอรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเรารู้ว่าประโยชน์ที่ใช้ก็ใช้แล้วบัดนี้ กอย่างเมื่อถึงเวลามันก็ต้องสูญสลายดับสิ้นมาลายไปใจของโยอมต้องเป็นอิสระไม่ผูกมัดไม่ยึดติดและก็ไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นอีกก็บอกครั้งมีชีวิตทำไมไม่รู้จักประโยชน์ ใช้เขาให้ถูกทางใช้เขาให้ถูกวิธี mm hmm. ก็จะได้ประโยชน์ใช้นานๆพอสุดท้ายก็จิตวางรูปร่างกายสุดท้ายเขาก็แนบนิ่งลงจิตของเราเองก็ต้องปล่อยวางร่างกายนี้ ไปอีกพบหนึ่งไปสู่อีกปรโรคหนึ่งหรือสู่อีกภูมิหนึ่งถ้าเรายังมีกิเลสกองใดกองหนึ่งความเกิดก็ยังมีฉะนั้นโยมก็ต้องรู้ประโยชน์แห่งความเกิดอีกเมื่อรู้ประโยชน์ในการใช้มาแล้วประโยชน์ที่จะต้องเกิดอีก เราก็ต้องสร้างภูมิภูมิจิตของเราเองว่าเราจะไปไหนพยมเข้าใจจิตถ้าสามารถวางได้ปล่อยได้ระลึกอยู่ได้ศีลระลึกอยู่ได้บุญจิตอันเป็นกุศลอยู่ยมไม่ต้องไปเสียด้ เราจากสิ่งที่มันเสื่อมสุดโทรมจนไม่สามารถเยียวยารักษาได้เรือนที่ผุพังไม่สามารถซ่อมแซมแล้วธรรมดามันก็ต้องถูกย่อยสลายร่างกายก็เป็นอย่างนี้แต่รู้ไหมถ้าคนเขามีปัญญาเขาไม่ได้นั่งเสียอกเสียใจนะจิตตาตรงนั้น เขามีสุคติเรียกว่าไปดีกว่าที่ที่เคยเกิดมาแล้วฐานะก็มั่นคงกว่าร่ำรวยกว่าสติปัญญาก็เจริญกว่าความเป็นปราดบัณฑิตอุปนิสัยก็มากกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดถ้าเกิด ปราถนาความเป็นมนุษย์อยู่ด้วยอำนาจของศีลิยมรักษายมก็จะได้มนุษย์สมบัติรูปร่างหน้าตาไม่อัปรักษสมบูรณ์ดูดีอาการสามสิบสองครบโดยเป็นเจสีน และด้วยอานิสงส์แห่งการเคยสมทานรักษาศีลมาศีลก็รักษาเราเราเองก็มีความสุขอยู่กับศีลสบายเพราะเกิดมาทีนี้ไม่ว่าฐานะอายุก็ยืนยาวสุขภาพร่างกายก็แข็งแรง รูปร่างก็ดูดีจิตใจก็งดงามต้องบอกคนมีบุญมาเกิดคนมีบุญมาปฏิสนธิเกิดคืนไหมหน้าเปลือมอะไรยกอย่างโยมดูนางวิสาขาหรืออาท่านเศรษฐีอนาบินธิกะเศรษฐี เขาเกิดมาเขามาสร้างบารมีจริงๆนะเขาเกิดมาเขามีเงินมีทองมีบารมีไม่ต้องมานั่งลําบากลําบนมาทําการทํางานเหน็ดเหนื่อยกว่าจะมีเงินมีทองกว่าจะรู้จักบุญกุศลในชีวิตเกือบจะหมดแล้วแต่ถ้าใครที่เกิดด้วยบุญกุศลบารมีที่สางสมบั ด, ดีต้องใช้คำว่าในอดีตชาติ ส่งผลมาสู่ในชาติปัจจุบันเกิดมาโยมก็ได้รับพรของชีวิตรางวัลชีวิตโยมได้รับเลยพรสวรรค์ชีวิตทำอะไรก็ดูมันง่ายแต่จริงๆเราทำมาแล้วตั้งแต่อดีต คนที่เราได้สร้างไว้บุญนำสุขมาให้ก็ส่งเสริมให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจึงบอกการจากคนที่ก็มีสติอบรมจิตมีปัญญาจิตเขาไม่ไ่้ร้อนใจนะว่าตายแล้วโอ้โหร้อนใจอิยมเคยได้ฟังสวดหนึ่งไหมมี ท่านเศรษฐีมีลูกชายอยู่ถ้าไม่ผิดสามหรือห้าหกคนเนี่ยนะโดยประมาณนี้ก็รู้ว่าตนเองเนี่ยจะต้องหมดอายุแล้วล่ะคนก็เก่งนะเขาสามารถรู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่กี่วันหรือไม่เกินวันนี้ ก็บอกลูกไปนิมนพระมาเจริญพระพุทธมนตให้พ่อฟังเพื่อพ่อจะได้มีกุศลได้ระลึกถึงสังคานุสติเป็นอารมณ์ขณะจิตที่จากไปพระมาก็เจริญพระพุทธมนตท่าน เศรษฐีท่านก็ฟังอยู่นะฟังไปฟังมาก็ปรากฏเห็นเทวดาทั้งหชั้นเนี่ยมามาเชิญว่าให้ไปสู่สวรรค์ชั้นที่ตนอยู่อา้าเขาเป็นคนดีมีบุญกุศลเทวดาในชั้นไหนก็ปรารถนาที่อยากแกได้ก็มาเชื้อเชิญว่าไปอยู่ชั้นนี้เถอะ ก็เชิญไปเชิญกันมามันเหมือนกับว่ายื้อกันเศรษฐีก็หลุดปากบอกหยุดก่อนพระกำลังเจริญพระพุทธมนต์หยุดลูกๆ ก, ก็มองหน้าพ่อเราคงเป็นบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วให้ไปนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วทำไม พ่อจริงมาห้ามเสียให้หยุดตัวสักครู่หนึ่งพระก็กลับลูกๆ ก, ก็บอกพ่อพ่อเสียสติไปแล้วหรือพ่อเป็นบ้าไปแล้วหรือพ่อให้ลูกไปนิมนต์พระมาพระเจริญพุทธมนต์อยู่พ่อก็บอกให้หยุด พอพ่อได้ฟังบอกลูกเข้าใจพ่อผิดนะบอกไม่ผิดพ่อบอกให้หยุดที่พ่อบอกให้หยุดพ่อบอกให้เทวดาทั้งหลายในหยุดก่อนพ่อจะฟังพระเจริญพระพุทธมนต์อยู่ก็เลยถามพ่อพูดอะไรพ่อเป็นบ้าไปแล้วหรือเทวดาที่ไหน ลูกมองไม่เห็นแต่คนที่จะจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งพูดไง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่ามิติมันเปิดหรือว่าจิตมันเห็นในภพที่จะไปสู่สวรรค์สมบัติตรงนั้นเห็นยมเคยได้ยินไหมคนที่จะสิ้นชีวิตในก่อนตา ย, ยจะมีอาการแปลกๆหลายๆคน บางคนร้องเหมือนคนจะมาฆ่ามีอาการตกใจตาขึงชักกลัวบางคนเห็นมันผีผีมาหลอกจะมาหักคอบางคนพูดเพอ้อไปมมีใครจะมาเอาชีวิตมีใครจะมารับตัวเองไปแล้วร้องบอกไม่ยอมไปดินก็มีบางคนแสดงเหมือน เหมือนภูมิสัตว์ร้องเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูเป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเสียงร้องออกมาเป็นจริงๆเลยนะใครที่ยังไม่เจอไม่โดนก็ถือว่าท่านไม่ได้สร้างกรรมตรงนั้นไว้แต่เรื่องนี้เป็นจริง บางคนนั่งนอนพนมมือยิ้มบอกพระมาคนมองไม่เห็นพระเหมือนเศรษฐีคนนี้ลูกบอกพ่อเสียสติไปแล้วพ่อเราพ่อบอกลูกถ้าไม่เชื่อพ่อลูกเอามาอะไรมาให้พ่อ จะให้พ่อไปสวรรค์ชั้นไหนดีล่ะลูกบ้านนี้เขาศึกษาทำกันลูกๆ ล, กลงความเห็นว่าควรไปให้เลือกชั้นนิพมานนรดีชั้นจะาตุชั้นไหนดีเนาะลูกหรือชั้นดาวดึงดีพอเลือกเสร็จปุ๊บลูกดูนะพ่อจะมอบมาะไรให้กับสวรรค์ชั้นนี้สุดท้ายแล้วก็มอบ มาเลยจะไม่ลอยไม่ตกลงมาลูกแปลกใจบอกเป็นไปได้อย่างไรพ่อก็พ่อบอกแล้วว่าเขามารับพ่อแต่ลูกไม่เห็นตอนนี้พ่อมอบมาเลยจะไปสวรรค์ชั้นนี้แล้วลูกจึงเชื่อเชื่อในตาที่เห็นไม่ใช่หูที่ฟังนะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ว่า มาไหลพวงนี้ทำไมจิงลอยอยู่ได้ทำไมไม่ตกลงมาแล้วเศรษฐีก็จากไปนั่นคือเขาไม่ได้ไปแบบโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันหรือเมาห่วงหน้าห่วงหลังแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเราเราเนี่ย คิดจนเส้นโลหิตจะแตกคิดมากเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตได้นะยอมระวังนะใครที่วางความคิดไม่ลงคิดมากๆสมองมันจะตึงก่อนก่อนนั้นจตมาก็ไม่รู้สึกว่าเป็นนะพอระยะอายุมากขึ้นเออคำว่าประสาทเครียดพึ่งยอมรับทีแรกบอกเครียดไม่ได้หรอกเราปฏิบัติ ตจเราสบายจิตก็ส่วนจิตร่างกายเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ที่มันทำงานเนี่ยมันก็อีกส่วนเนี่ยมันต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยอะไรที่เราใช้มันเยอะๆมันก็เป็นภาระหนักเหมือนความคิดที่วางไม่ลง น, นอนก็ไม่ค่อยหลับ ก, ก็คิดสมองตึงอยู่บางทีตึงจนหน่วงอ๋อวราหวังนี่อาการอย่างนี้ ถ้ายิ่งมีความดันด้วยนะเส้นโลหิตฝอยนี่แตกเป็นอมพุดอมภาตได้เลยจากที่เคยเดินได้เนี่ยภายในข้ามคืนเดียวพรุ่งนี้ปากเบี้ยวเดินไม่ได้เลยนะขานี้ไม่มีกำลังอ่อนเป๊ะเลยมือไม้นี่ห้อยเลย ปากเบี้ยวปรงไม่ตกบางไม่ได้คิดไม่ตกสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทำลายตัวเองฉะนั้นโยมจำไว้อะไรก็ตามอย่าใช้เกินตัวเครื่องจักร มันก็ยังพังได้ว่าเป็นเหล็กมันต้องถูกซ่อมแซมแต่มนุษย์อวัยวะละเอียดกว่าเครื่องจักรซับซ้อนกว่าเครื่องจักรเยอะแย ะ, ยะระวังเป็นอะไรไปแล้วเงินทองถึงจะมีอยู่ท่วมภูเขามันก็ซื้อให้เราหายไม่ได้และทำให้เรามีความสุข แบบเดิมไม่ได้ทั้นโยมต้องรักษาเหมือนเศรษฐีเวลาจากไปเขามีจิตที่ผ่องใสนะโหจิตนึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นิมนพระมาสาธยายทำก่อนแต่ไม่ใช่สิทธิีอยู่คนเดียวก็สูตรนี้มีอยูอ่ว่านิมนพระมาก็หลายๆสูตร อนาบิณกศเศรษฐีก็นหนึ่งเหมือนกันพอ ร, รู้ว่าตนจะหมดแล้วเหมือนกันในม์พระอานนท์มากับท่านพระสารีบุตรมาให้มาสาธยายทำให้ฝัง ร, รู้ว่าตนอายุก็ใกล้ที่จะดับแล้วสังขารอายุหมดแล้ว อาัทธนามาฟังทมพอเขาสิ้นไปเขาก็ไปสู่สุคติเสวยทิพยสมบัตินานสักกี่หมื่นกี่แสนปีก็สุดแล้วแต่บุญบารมีที่สั่งสมไว้แต่บอกก่อนนะว่าบุญก็ไม่เที่ยงเมื่อเราได้เสวยบุญกุศลหมดแล้ว ชะตาชีวิตก็ต้องดำเนินในวิถีแห่งผู้วนเวียนด้วยความเกิดแก่เจ็บตายอีกฉะนั้นทางที่ปลอดภัยที่สุดต้องคำวมาวิมุตติสุขคือหลุดพ้นถึงขั้นความสุขอันไม่มีกิเลสอยู่เนื้อสปปรรพสิ่งทั้งหลายจึงเรียกว่าวิมุตติสุข สุขที่อยู่เหนือกิเลสของปุถุชนแต่ถ้ายังอยู่แบบปุถุชนเขาเรียกว่าเป็นโลกีสุขไม่ใช่เป็นโลกุตระสุขอย่างของพวกเราเนี่ยวเรรเขือบเคลิ้มดีใจสนุกสนานเริงร่ากบขันเนี่ยเป็นโลกีสุข ก็แค่เดียวๆฉาบฉวยอารมณ์นั้นก็ดับไปอารมณ์ใหม่ก็แทรกเข้ามารอยยิ้มก็หายไปเสียงหัวเราะก็หายไปเสียงดา่าเสียงตะโกนหน้าบึ้งตึงก็เกิดขึ้นมาใหม่ยังไม่เป็นบีมุติคือยังไม่หลุดจริงๆก็วนเวียนกลับมาฉะนั้นจิตตาของเราตรงนี้ของการภาวนานพอเราแยกได้ ร่างกายเมื่อหมดประโยชน์แล้วโยมก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมันทุกข์มันมีอยู่โดยสภาพอยู่แล้วก็เอาสติประคองรักษาจิตกำหนดโดยธรรมว่าไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็แตกดับเราก็ไม่ควรยึดมั่นหมาย และกำหนดดูว่าจิตของโยมที่ภาวนาปฏิบัติอยู่เราสามารถอยู่เหนือโลภโกรธหลงได้เพียงไหนถ้าโยมสามารถกำหนดอยู่เหนือได้หมดจิตโยมก็หลุดพ้นการตายครั้งนี้ก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะความเกิดไม่มีความตายก็ไม่มี แต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นจริงขนาดเป็นโสดาบันนายโยบจะต้องเกิดแต่ความเกิดก็สามารถกำหนดได้ว่าเออเราจะเกิดไม่เกินเจ็ดเจดชาติเป็นอย่างมากแล้วก็บร ร, รุออรหันอย่างพัสกะทาคามีเนี่ยถ้าจะเกิดก็เกิดอีกครั้งเดียว ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายก็บรรลุอรหรันถ้าเป็นพระอนาคามีเนี่ยไม่ต้องลงมาเกิดก็ปฏิบัติอยู่บนเบื้องบนเสร็จแล้วหมดกิเลสก็สําเร็จเป็นอรหรันแล้ถ้าเป็นอรหัน์เลยก็สิ้นสุดในวันที่เราจากนี้ไปเลยคือสิ้นสุดคือว่าความเกิด และเป็นความตายที่ไม่ตายเพราะว่าท่านได้มองเป็นรูปนามขันไม่ได้มองเป็นตัวสัตว์บุคคลเราเขาอีกถึงบอกยากที่ใครจะเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดของพุทธองค์แล้วก็ดำรงตนอยู่ได้ด้วยใจที่สามารถ อยู่เหนือทุกน้อยใหญ่ได้ท่านทั้งที่ทุกมีอยู่แต่ใจนั้นไม่มีทุกขอีกเลยนั่นคือความบริสุทธิ์หมดจดของผู้ที่หมดกิเลสแต่อย่างเร า, เราพวกเราที่กำหนดอยู่กำหนดกรูปนามธาตุขันธ์กายจิตชีวิตกับธรรมะ ถ้ายอมเข้าใจธรรมะยมก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะนำไปชำระชีวิตที่เรามีอยู่ขัดเกลาชีวิตของเราให้เบาบากจริงๆถ้าย้อนไปสิบยี่สิบปีก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจเหมือนที่เข้าใจอยู่ในเวลานี้ แล้วก็ไม่รู้ว่าประโยชน์คืออะไรด้วยแต่ว่าพอเราศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆจนถึงการปฏิบัติความเป็นความตายอยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยเมื่อเราเอาชีวิตเข้าไป จะใช้ก็ว่าพันันก็ไม่ถูกนะแต่ขอยืมสับใช้เะว่าเมื่อเราเข้าไปปฏิบัติพันนันธรรมะกับชีวิตจิตใจจะอยู่แบบไหนชีวิตคนจะอยู่ได้อย่างไรลองทบทวนเอาใจใส่ดูแลและปฏิบัติจริงจังดูสักครั้งหนึ่งเป็นตายอยู่ตรงไหน ชีวิตรอดชีวิตเป็นชีวิตอยู่ชีวิตตั้งอยู่ยังไงตมาจะพยายามพิสูจน์ทั้งวงนอกวงใ น, งในเข้าออกภายนอกภายในจิตภายในภายนอกนั่งกําหนดนอกในในนอกนอกในในนอกกําหนดเราเขาเขาเราโยมเริ่มเข้าใจคําว่าการสะท้อนไหมถ้าโยมยังไม่เข้าใจคําว่าสิ่งสะท้อนเนี่ย จะ ม, มาว่าโยมยังไม่เข้าใจเรื่องกฎกรรมถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องกฎกรรมฟังธรรมะยังอีกไกลแต่กว่าใครจะยอมรับเรื่องกฎกรรม mm. ก็ไม่ใช่ง่ายยากบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพอเจอคนพานก็เขว พอเจอบัณฑิตพูดก็ชักเชื่ออีกก็คื อ, อยังไม่แนไ่ไม่นอนถึงบอกยิงลูกศรระหวังยิงลูกศรในที่มืดกับคนปิดตายยิงลูกศรในที่สว่างโยมว่ามันเหมือนกันไหมอ่าเป็นปัญหาเฉาดี่าเอาผ้าดำหนาๆปิดมัด แล้วก็ยิงลูกศรไปกับลืมตาแต่ที่นั่นมืดมองอะไรไม่เห็นก็ยิงลูกศรไปความหมายคืออะไรและมันคืออะไรและยิงอะไรและอะไรยิงยิงทำไมทำไมต้องยิงเพื่ออะไรอะไรที่จะต้องยิงมันสับสนวุ่นวายบอกไม่ถูกตอบไม่ได้และทำทำไม บางทีปิดตายิงลูกศรเมืองกับเรามองไม่เห็นแต่เรามุ่งไปข้างหน้าและเราคิดว่ามันใช่หรือบางทีตาเราเปิดอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างหน้า แล้วก็คิดว่าใช่อีกก็เลยต้องสู้หยุดเอียงหูฟังไม่ดีกว่าหรือว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวในที่มืดหรือมันเงียบนิ่งไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรแล้วยิงไปทำไม จึงบอกและตอบยังไงถามอะไรอาตมาจึงบอกเออเวลาที่เราไม่รู้มันก็เหมือนคนตาบอดปิดตาหรือหลับตาหรืออยู่ที่มืดมันก็เหมือนกัน คำตอบคือเขาว่าความไม่รู้เสมือนคนตาบอดเสมือนอยู่ในที่มืดเสมือนปิดตาตัวเองจะามาถามโยมโยมรู้จิตตัวเองได้ตลอดสายไหมอย่าเพิ่งตอบตอบเร็วเข้าข้างตัวเอง กำหนดดูไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่สองวันไม่ใช่สามวันไม่ใช่อธิษฐ์ไม่ใช่เดือนและไม่ใช่ปีต้องกำหนดดูทุกขณะจนวันตาย และโยมจะรู้จักในหนึ่งเกาหนึ่งหนึ่งคำพูดหนึ่งคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งสายตาหนึ่งหูฟังหนึ่งยืนหนึ่งนั่งหนึ่งเดินหนึ่งเดินหนึ่งนอนในอิริยบทในอริยบถทุกอิริยบทน้อยใหญ่ โยงฟังเสียงเป็นยังไงชีวิตมองชีวิตเป็นแบบไหนเข้าใจชีวิตคืออะไรเมื่อเราพูดไปแล้วมีความหมายอะไรชีวิตโยมต้องกำหนดมันและกำกับไปด้วยและพิจารณาไป สุดท้ายโยมจะถามตัวเองแล้วเข้าใจสิ่งที่ถามแล้วมีคำตอบบอกคนทั้งโลกให้ฟังว่าคืนวันที่ผ่านหลายวันเดือนปีที่ผ่านโยมทำอะไรให้กับชีวิต ยมได้อะไรเป็นวัตถุสิ่งของเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์หรือได้มโนธรรมได้ศิลธรรมและยมจะพบว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยมพบและอะไรที่ภูมิใจที่สุดที่ตัวเองได้ และสิ่งใดที่ตัวเองหวังที่สุดยามมีชีวิตอยู่ยมต้องหาเองวันที่โยมพบความจริงรอยยิ้มวันนั้นมันยิ้มจากข้างในอิ่มจากข้างในสุขจากข้างใน และสดใสจากภายในจนแสดงออกมาทางรูปกายยาจนแสดงออกมาด้วยแววตาและด้วยอากัปกิริยาที่มีความสุขโยมไปหาดูวันไหนใครคนพบเจอเจอ วันนั้นสมบัติทั้งโลกอาจมาเชื่อว่าโยมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้สมบัติในโลกเล็กน้อยโยมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าชีวิตที่มีอยู่น่าสงสารคนเหล่านี้ บางคนหาเงินหาทองจนลืมชีวิตทาั้งที่ชีวิตสำคัญกว่าน่าเสียดายเขาลืมลืมชีวิตแท้จริงเขาเข้าใจอีกแบบน่ แล้วเมื่อจะได้เขาก็ได้อีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบชีวิตที่เขาจะเป็นจริงๆสุดท้ายหาไม่เจอยมรู้ไหมที่เขาหาไม่เจอมรรคผลอยู่ไหนศีลธรรมอยู่ไหนความสุขแท้จริงอยู่ไหนความจริงใจอยู่ไหน ความรักแท้จริงอยู่ไหนและจิตที่ดีคืออะไรคนคนนี้น่าสงสารที่สุดบทสรุปบุคคล น, นี้ก่อนตายจะไม่มีความสุขเมื่อหลังจากตายไปแล้วเขาก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะบุญเขาไม่ได้สร้างกุศลเขาไม่ได้ทำน่าเสียดายเขาจะไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อชื่อเสียงเพื่อเกียรติเพื่อยศเพื่อทรัพย์สมบัติเพื่อวัตถุสิ่งของ แต่เขาสูญเสียทางจิตวิญญาณไปทุกอย่างถ้าถึงวันนั้นโยมจะมาเห็นมาเยอะแล้วหลายคนเข้ามาตอนมีอายุมากดูชีวิตเหมือนมีแผลก็เยอะบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อย แถมยังบอบช้ำ ม, มาอีกก็มีทั้งหญิงทั้งชายมานั่งภาวนากว่าจิตวางลงได้กว่าจิตจะสงบลงได้กว่าจิตจะเป็นสมาธิได้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพราะอะไรรู้ไหม เพราะ อ, อดีตไม่เคยทำให้ใจนี้สงบได้เลยน่ากลัวนะคำนี้น่ากลัวคำนี้เพราะ อ, อดีตไม่เคยทำให้ใจนี้สงบเลยคอยสะดุ้งอยู่เป็นระยะระยะแม้แต่หลับยังต้องสะดุง้ง มันคอยเตือนอยู่ทุกขณะทุกขณะจิตสงบได้แค่แวบเดียวอดีตมันก็ทำให้เกิดความสะดุง้งให้ใจรู้สึกไม่สบายกลืนน้ำก็ยังคอแห้ง บอกใครก็ไม่ได้อัดอั้นอยู่ภายในฉะนั้นเรระวังให้ดีจึงบอกเรื่องบาปเรื่องอกุศลกรรมเรื่องวิบากรรมวันที่มาเขาไม่ได้บอกโยมนะว่าเขาจะมาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศ อ, อะไรอายุเท่าไหร่เวลาไหน เขาไม่บอกเลยบางครั้งเวลามาเนี่ยคนนั้นก็รับไม่ไหวตั้งตัวไม่ได้ยมระวังนะบางคนทำบุญช้าไปสำนึกช้าไปขอโทษช้าไปเหมือนอยากจะทำดี แต่เวลาไม่ให้แล้วเหมือนอยากจะคิดดีแต่ทุกอย่างมันสายไปโยมอย่าให้ชีวิตใช้ไปถึงจุดที่ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้มีแต่ต้องรับโทษภัยเวรหรือวิบากหยุดได้หยุดซะ เว้นได้เว้นเสียใครไม่รู้กระจกเงาแห่งใจมันรู้จิตใต้สำนึกมันเห็นอยู่ส่องหน้าลงสู่น้ำจริงอยู่โยมมองตัวโยมไม่เห็นแต่เงามันมีแสงสะท้อนมันเห็น อย่างน้อยความเป็นมนุษย์ของโยมมันจะสะท้อนความเป็นสัตว์ของเราให้ดูอย่างน้อยมโนธรรมมันเป็นแสงสะท้อนให้เห็นอกุศลกรรมที่เราได้สร้างที่ผิดจากมโนธรรมพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยโยมจะทำบุญอะไรก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผล เหมือนป่วยหนักจนถึงขั้นที่หมอไม่สามารถที่จะรักษาได้ยาอะไรก็ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้มันสายไปถ้าใครฟังคำนี้แล้วก็ให้รู้สึกอย่าให้มันสายไป ถ้ามันสายไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็เหมือนกับระเบิดเวลาพอได้เวลามันก็จะตู้มแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างถูกทำลายหมดแล้ว แลแ้วจะมาถามโยมจะเริ่มหนึ่งตรงไหนอีกจะนับสองที่ไหนสามสี่มีได้อย่างไรห้าหกเจ็ดไม่ต้องต่ออีกเลยจึงบอกว่าการปฏิบัติภาวนาพอที่สุดแล้วเราจะเห็นใจของเราและก็มองเห็นใจของคนอื่น รู้เขารู้เรานั่นแหละคือการศึกษาจิตขั้นสูงวันนี้โยมอาจจะรู้ตัวเองไม่รู้คนอื่นหรือบางคนทำไปรู้คนอื่นแต่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นความผิดโยมเดินผิดแล้ว การรู้ความผิดคนอื่นไม่ดีเท่ากับรู้ความผิดตัวเองการด่าคนอื่นว่าผิดไม่สู้เท่ากับด่าตัวเองรู้ว่าผิดน่าจะดีกว่าสำคัญนะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาจะนำพาเราไปสู่วิมุตติสุขในที่สุดขอจงได้รับความสุข ทุกท่านทุกคนเทิน